ศาสนาอยู่ที่ไหนศาสนาเราอยู่ที่ไหนอยู่กับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าพระพุทธเจ้าก็คือพระศาสดาธรรมะของพุทธเจ้าอยู่ใ น, ในพระไตรปิกหรือธรรมวินัยที่เราตับไว้ดีแล้วที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นศาสนาแทนเราสถาคตอันนั้นก็ยังเป็นตัวแทนศาสนาอยู่แล้วศาสนาอยู่ไหนมันต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาในใจเรานี่ศาสนาต้องอยู่ที่ใจนี่มันจะเป็นมัวติดต่อพระศาสดาไม่้อมัวไปตกดต่อพระศาสนา ให้ทุกคนเอาพระศาสนาเนี่ยเขามาไว้ในใจเข้ามาไว้ได้ยังไงสติมีไหมเรื่องต้นของการที่จะติดทอดพระศาสนาสติเรามีไหมอันนี้เรื่องต้นเลยละ่ะถ้าสติเรามีมีละพระศาสนาเริ่มเกิดขึ้นแล้ว มีสติแล้วสัมปัญญะรู้ตัวเรยพร้อมขึ้นมาทาอะไรก็ให้รู้ตัวมีสติแล้วก็มีสัมปัชญะญถ้ามีสติมีสัมปัชญะเริ่มมีศาสนาแล้วศา ส, สนาเริ่มเกิดขึ้นในจิตใจเราแล้วเหมือนเกิดขึ้นกับพระไทยของพระพุทธเจ้า ทีแรกพระพุทธเจ้าก็เป็นเจ้าชายขิดทักข์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าตอนออกสแสวงหาก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นนักบวชถึงจะมีสมาธิมีฌานสมาบัติก็ยังไม่ได้ตั้งรู้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนเราก็ต้องเริ่มปฏิบัติเหมือนกัน ถ้าหาว่ายังไม่บรรลุธรรมาศาสนาก็ยังไม่สมบูรณ์ขึ้นในจิตใจเราพอพระพุทธเจ้ากับการรู้แล้ ว, วาากกลาศาสนาจึงสมบูรณ์ขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจา้าทีนี้เราสาวกเีงเราก็เจริญสติมีสมปัจญาขึ้นม า, าศาสนาเริ่มเข้าสู่ใจแล้ว ใครจะศึกษามากขนาดไหนแต่ว่าไม่มีสติสัมปชัญญะศาสนาก็ยังหนุนไม่เกิดขึ้นในจิตใจมีสติสัมปัญญะธรรมะต่างๆมันจะค่อยตามมาสติเนี่ยมันดีอ่มันก็เห็นเนี่ยจิต ใ, ใจเราเป็นยังไงมันก็เห็นนะมันไหลไปทางไหนเห็นแี่รู้ทันมันมันก็ดับไปจิตเราก็เป็นปกติ มันก็เป็นสีนขึ้นมานะสีลของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันต้องเป็นอที่สีสีที่อยู่ในใจิตใจมันคิดปกติขึ้นมาเรารู้ทันมันเห็นมันคิดดีเราก็เห็นมันคิดไม่ดีก็เห็นมันอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นจเจริญสติอยูเย่เบื้องต้นนะ เพราะฉะนั้นจต้องดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมอันนี้ก็คือให้มีสติสัมปชัญญะเหยียดวงกลมทําอะไรรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะมีกําลังขึ้นมาแล้วควบคุมจิตเนี่ย <Yeah. S 1> ได้จิก็อยู่กับตัวเราได้นานขึ้นอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนานขึ้น โยระหว่างที่ปฏิบัติเนี่ยพวกนิวรนทั้งหลายเนี่ยก็ต้องได้แก้ไขให้จิตของเราเนี่ยมันรู้เท่าทันมันห้ามไม่ได้พวกนี้บางทีง่วงเราจะไปโกรธ ว, ว, ว่าเราทะไมง่วงเสียใจว่าเราง่วงก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมดารแต่ว่า เราก็พยายามที่จะเห็นว่ามันเป็นของเกิดดับเป็นของธรรมดาเป็นเรื่องของธรรมชาติพวกนี้มันมีที่พ้นต่อใจเราเพราะมันเกิดขึ้นแล้วมันดึงใจเราให้ห่างออกไปจากตัวเราการมาฉันทานีวอนคนปฏิบัติที่สำคัญพวกนี้กว่าจะผ่านมันไปได้ปุตเตงเรื่องนั้นเรื่องนี้ เหนึ่งการมาจันทร์นิวรเหนึ่งความอยากความต้องการเนี่ยพยาปาทานนิวรโขเครื่องคุมเครื่องแขนเครื่องเอาอีกเนีย่ยมีแรงดึงยู่จิตใจไปห่างไปจากใจเราห่าไปจากจาจากายเราอีกแล้วหนึ่งมีทานนิวรวหนึ่งเราตื่เต่าทําให้ใจหดตู่ ปลดถอยจากอารมณ์อุทจักกุจจะนิวรณ์ส่ัฟงาแต่มันฟงาไปก็คือจิตเนี่ยเดี๋ยวก็ไปเรื่องนั้นเดี๋ยวไปเรื่องนี้ฟุ้งาไปเรื่อยๆรื่อิก็คิดไปใจก็อยากพูดออกมาปากก็พูดออกไป ออกมาทั้ง1ิตทั้งวาจาไหลไปหมดมันจะต้องควบคุมตรงนี้ทันเนี่ยสติดเนี่ยมันเป็นสำคัญจำนวนติดนิสิจิตชา่ร้อนความยังเลี้องใสเราก็ต้อทงทำความเข้าใจให้ดีสงสัรู้ว่าสงสัยหรือปักลงไปที่จิตของเรา นี่ศาสนามันเกิดขึ้นมันเป็นลำดับลาดับไปเราผ่านนิวร์ห้าไปได้ไแล้วจิต ก, ก็อยู่นานขึ้นเนี่ยอยู่นานขึ้นเราเป็นสมาธิิสมาธินี่มันมีสองลักษณะอันนึ้งมันตามดูลมเข้ารู้ลมออกรู้มันคิดรูคดด้คิดไปนู่นรู้ไปนี่ลักษณะอย่างเนี้ย สมาธิขั้นนี้เขาเรียกว่าสมาธิกมารคหรือมันตามดูตามดูเฉยๆลมเข้ารู้ลมออกรู้อะไรเกิดขึ้นรู้แต่ถ้าหากว่าดูลมหรือว่าดูอะไรกัแล้วแต่แทนที่มันจะตามดูเฉยๆมันไปดูว่าเออที่มันเกิดดับเนี่ยมันจะดูคนละอย่างนะอันหนึ่งตามดูมันเฉยๆรู้ตามรู้ไปเรื่อยๆ เคยไม่ตามดูลมตามลมไปตามลมไปตามลมไปตามลมไปจนกระทา่งลมมันละเอียดลงไปบางทีมันก็มีอาการที่มันเหมือนกับยืดออกไปนะหรือบางคนเหมืนตอกต้นไม้ส่วนใหญ่ครั้งแรกๆมันเหมือนจะมันจะดุแรงมันเหมือนยืดไปในอวกาศตรงนี้ เรมันตกลงไปอย่าพิสูจนี่ีอาการที่จิบมันมันหย่งเข้าไปข้างในอาการที่เป็นสมาธิบางทีก็มือละเอียดเหมอนหลอหายไปนี่คือมันตามดูตามดูพิสูจตามดูแล้วมางคีมก็พักอยู่แต่พอมันมีกาลังแล้วเนี่ยมันจะมาดูดูอาการ บางคนก็มีอาการอะไรเกิดขึ้นเองนะมันมีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะเหล่า น, นิจจังทุกขังอนัตตามันจะเกิดขึ้นเองอนะ่ะบางคนบางคนก็ต้องน้อมไปด้วยนึกไปด้วยสุดท้ายมันก็มีภาวะธรรมปรากฏขึ้นไป็นขึ้นไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ไอ้ น, นี่จิตบางทีไม่มีคําพูดหรอกหมายว่าจิตมันเห็นเลยขณะที่มันเห็นเหมือนไม่ใช่เราเลยนะแต่สิ่งที่เห็นมันก็เป็นสภาวะธรรมอันนี้ผู้เห็นก็เป็นสภาวะธรรมอันนี้เนี่ยความไม่มีเรามันเกิดขึ้นมันยิ่เป็นเหมือนธรรมชาติถ้าดูลักษณนะความเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างนี้นี่ท่านจะเห็นเข้าใจละ ทีแรกตามดูแลก็ดับไปตามดูไปตามดูไปอย่างนี้ยังเป็นสมถะกรรมฐานแต่ถ้ามันมาเห็นเนี่ยอย่างลมงเนี่ยแทนที่จะตามดูลมเฉยๆเนี่ยมันไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหรือบางทีไอ้ลมนี่แหละมันเปลี่ยนแปลงไปเองคือมันทำของมันอ่ะมันเป็นของมันเนี่ยยังเรียกว่า วิปัสสนาญาหรือปัญญาญาในร่างกายเนี่ยส่วนใดส่วนหนึ่งบางทีมันก็แสดงของมันไอไอตัวจิตเนี่ยเราเป็นดูอยู่ไอพวกนั้นมันก็แสดงออกของมันเองแสดงการเปลี่ยนแปลงแสดงความเกิดขึ้นดับไปแสดงให้จิตของเราเนี่ยเห็นเลยล่ะว่ายึดไม่ได้แน่ ไอตัวนั้นก็เหมือนจะจะบอกว่าเฮ้ยอย่ามายึดกูนะกูไม่ใช่มึงได้ขาดเลยเห็นไหมเห็นมไหมกูไม่ได้อยู่ในอำนาจของมึงคล้ายๆมันจะบอกอย่างนี้นะแต่มันเป็นสภาวธรรมมันเป็นนี่ขั้นเนี้ยเรียกว่าวิปัสสนาญาณเห็นมากเห็นน้อยหมดแล้วแต่พอเห็นแล้วมันจริงอยปะหารเดชลงไปเป็ขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเชี่อว่า จเจริญสติปัฏฐานสี่ก็คือสมถะกรรมฐานนิพพานากรรมฐานก็เพื่ อ, อนเดียวกันนั่นแหละแต่จเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยถ้าสติมันสมบูรณ์แล้วเราไปทําให้พุทธชงเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็อริยมรรคมียร์แปดสมบูรณ์จากสมถะก็ไปถูงนิพพสนบางทีก็พูดรวดยอดว่อาอริยมรรคมียร์แปด ก็คือไปพูดไปพูดตอนที่มันเป็นองค์รักแล้วแต่เริ่องต้นเนี่ยถ้าเอามาพูดกันต้องพูดถึงสติเพราะมันเริ่มต้นเนสติมีสติมีสัมปชัญญะแ้วระหว่างนั้นก็อธิบายไปมีความเพียร <Yeah. S 1> เพียรต้องการต้องการอากุติไม่ให้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็เพียรละ นะาลจะมีคำสอนของโรเจ้าเนี่ยเราจะให้เพียนสร้างกุศลคือภาวนาเนี่แหละก็ะเพียนที่จะให้มันไทบูนให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาให้มันมากยิ่งขึ้นไปนี้ถ้าปฏิบัติแล้วสติสัมปชัญญะมีเนี่ยพวกนี้ดีโอตปะมันก็จะเกิดขึ้นองค์ธรรมต่างๆนี้มันจะรวมเข้ามาที่จิตเรานะการปฏิบัติธรรมเนี่ย มันเป็นการทำให้ศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเข้ามาอยู่ในใจเรามันเห็นเนีพยมมันคิดไม่ดีขึ้นมาอุ้ยมันมันมันรุ่มร้อนขึ้นมาในจิตใจมันเศร้าหมองขึ้นมามันรู้สึกละอายใจไม่อยากทำมันเึ่งเป็นละเนี่ยศีลของเรามันก็ดีขึ้นมามันก็พอใจขึ้นมาเพราะั้นการปฏิบัติมันยังรวมเอาศีลเข้ามาไว้ในใจเนี่ย ก็อยู่ที่ใจสมาธิก็อยู่ที่ใจปัญญาก็อยู่ที่ใจนี่ศนะาสนาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในใจผู้ปฏิบัติธรรมก็เลยกลายเป็นผู้สื่นพ่อศาสนากลายเป็นผู้รักษาศาสนากลายเป็นคนที่มีศาสนาอยู่ในใจถ้าใค้ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยนึกดูว่ามีศาสนาไก็แสดงว่าไม่รู้ว่าศาสนาเนี่ยคืออะไรศาสนาที่แท้จริงบอกว่าเออในพระไที่ิฎกไปเรียนพระไที่ดฎกมันก็เป็นศาสน า, าแทนพระพุทธเจ้ามันยังไม่เป็นศาสนา แต่ก็อาศัยล้วเอามาปฏิบัติตามแล้วปฏิสัมปัชย ญ, ญาเราเกิดขึ้นอันนี้เที่ยวแล้วก็ยังอยู่ในขั้นสีนอยู่นะขั้นเยี่ยนละสีที่ไม่ดีออกไปจัดใจเราพยายามรักษาใจเราให้เป็นปกติละมีวอนออกไปจยนจิตเป็นสมาธิ สมาธิถ้หาหาว่าตามดูอารมณ์ต่างๆอยู่อ่ะมันก็เป็นสมาธิกรรมามฐานเพรานั้นท่านจึงบอกถ้าหากว่าอยากอยากสังเกตว่าเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันโน้มไปในทางเป็นสมาธิเรียนท่านบอกว่าทำมัจสมาธิคือธรรมะที่บ่งบอกให้รู้ว่าเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นสมาธิแนละ้ว มีอยู่ห้าอย่างหนึ่งปลาโมกคือจิตใจจะรู้สึกเบิกบานขึ้นมาเนี่ยคนปฏิบัติธรรมนี่จะต้องมีความเบิกบานเบิกบานนี้ก็ามหมายว่าเขาวางใจถูกนะวางใจเป็นปกติวางใจว่าเรามีหน้าที่ปฏิบัติเราพอใจที่จะได้ปฏิบัติส่วนผลเนี่ยมันจะเป็นยังไงกระช่า ง, างแล้วแต่สภาวธรรมวางใจถูกเจ้าอย่างนี้มันสบาย คนไหนจะเอานะอยากสงบอยากมีธรรมะอยากได้วิปัสสนาอยากเห็นนุ่งเห็นหนี่อันนั้นมีความอยากนำหน้าหมดส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผลแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะความอยากความต้องการมันรุนแรงมันบีบคั้นตัวเองแต่ถ้าเราทำใจสบายๆเธอพระพุทธเจ้าสอนว่าให้พอใจ สร้างเหตพอใจปฏิบัติส่วนผลเป็นยังไงแล้วแต่สภาวธรรมทีนี้อะไรเ like กิดขึ้นเราก็มีหน้าที่ดูใจปกติเอามันมาก็ดูมันอะไรเกิดขึ้นดูมันถ้าองนี้ใจจะเบืบ่บานเม่อใจอะไรเกิดขึ้นกลัวปฏิบัติไม่ได้กลัวเป็นนู่นเป็นนี่คือใจไม่ถูก ป, ปกติแล้วมันไม่มีอะไรทําอะไรเราได้เพราะว่า ลืมตาขึ้นมามันมีอะไรเลยความรู้สึกนึกคิดอะไรเนี้ยมันเป็นแค่สังขารนะเกิดแล้วก็ดับไม่มีตัวตนอยู่จริงถ้าเข้าใจอย่างนี้นะหัวใจเรามันต้องปล่อยวางได้เนี่อ น, นินิทเท่านั้นนินดเขาเรียกว่าภาพลวงตากระดัมันเกิดขึ้นมันมาลวงที่ใจเราตาใจเนี้ยมันถูกลวงเทาให้หลงผิดไป จริงมันไม่ได้ทำอะไรแต่จิตเรานี่กลัวไปเองนะแอ่นิดมันต้องมีบางทีก็เป็นภาพบางทีก็เป็นเสียงเป็นแสงเป็นสีเยอะเลยนะมันก็แล้วแต่แจ่้วยนะเคยไปตอนพีณธรรมนะสมเขานั่งสมาธิใจเนะี่ยพอจิตสงบลงไปแล้วนะโอ้โหเสียงร้องเพลงดังสนั่นลงไว แต่คนอื่นไม่ได้ยินนะตัวเองได้ยินเสียงดังมากใกล้เข้ามาแกตก่หน้ากลัวว่ะปกติคอนเสิร์ตขึ้นมาพอลืมตาขโนรี่ีอะไรนี่คือนิดๆภาพดวงตาก็บอกว่าเออต่อไปเนี่ยอะไระสือที่ให้รักษาจิตไว้ไม่ดีไม่ดีอะรพอเขาเข้าใจแล้วมันก็สักแต่ว่าเสียงแล้วมันก็ดับไปแต่บางคนไปหลงกลัวแล้วก็ระแวงว่ามันจะเกิดขึสิ่ง พอปฏิบัติอีกมันเกิดขึ้นจริงๆเลยพอจิตมันไปยึดแล้วมันไปกลัวแล้วไปกังวลแล้วเนี่ยนี่คืออุปายทางมันไปยึดพอถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยเออเราแล้วแต่สภาวธรรมเรื่องคืรักษาจิตเป็นมุขสติไว้เอาตามพระพุทธเจ้าสอนมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในรหลวงเสียได้เข้าใจอย่างนี้ง่ายมันจะมาทางเสียงก็มีเรียบชื่อก็มีนะ ทิศอันนั้นอันนี้บางทีกมาบอกหวยมันจะลึกล่อลอกดึงเราออกไปแต่ว่าเรามีความอยากพวกดีใจเขาก็บอกหวยกนินก็ออกไปแล้วแต่ถ้าหาว่าเรามั่นคงไม่ยินดีไม่ยินลายพวกนั้นเดี๋ยวดับไปหมดมีนิทานเสียงเป็นภาพบางคนนะศรัทธาจะแม่กวนอีก โอ้พระสงบไวเจ้าแมุ่ธิน ม, มาเลยนะรับชวนไปทำบุญชุนทานอย่างนั้นนี่นเป็นจริงเป็นจังถ้าหกาว่าเข้าใจว่ารักษาจิตไว้ไม่ยินดีมันอย่างไรจะต้องคำสอนของพระพุทธเจ้าแ้บติดตายออกไปนี่แหละมันติดออกไปแล้วค์ทีมานเนี่ยมันมาหลายลุูมหลายแบบนะองคที่เป็นพระพุทธเจ้ามาเป็นเทโยา aram เป็นนิดเราต้องเข้ามาเอาทำละความยินดียินร้ายในโลกนี้เสียไหนทำจิตให้เป็นปกติไว้ไม่ปล่อยจิตออกไปบางแห่งก็จริงถึ่มาที่นี่เม่มานีเราอยู่ด้วยโอนเป็นเรื่องจริงเนะาะพระมาอยู่ด้วยโอมแต่แรกทมไมยื้วผ้าห่มอะไรตอนไร ถึงเช้ามาเราก็เลยแก้ไขให้บอกว่าเออคือนนี้ตั้งสติเลยนะเอาประโยชน์ให้ได้ไม่อยดีไม่ดีร้ยยายนะมาอย่างไงก็แ่านปล่อยเลยนะทําอะไรเราไม่ได้หรอกถึงท่านเชื่อพอเริ่มมืดก็เอาแหละมาจริงจริงนะดึงนู่นดึงนี่จากนู่นจากนี่นเฉยเลยนะไม่ดีไม่อยู่ร้ายจิบก็เลยเข้าไปอยู่ข้างใ น, นก็เลยได้ประโยชน์ แล้วก็หายไปนะวันหลังๆไม่มีเลยนะถ้าหากว่าเรารู้วิธีจิดของเราเนี่ยมันก็ได้รับไปอยู่เป็นเครื่องทดสอบเลยนะเราจะสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่า น, ม, นมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินไล น, น, น, น, น, น, นในโลกนี้เสียให้วทำาสมาธิก็คือมีความเบิกบานในใจิตใจ บางทีมันมีความคิดมีความบุญบุญเกิดขึ้นในจิตใจดูไปดูไปแต่บุบไปโอ้เบิดบานขึ้นมาเนี้มันเกิดดับดูมันดับไปอันนี้ก็เป็นปัญญาอ่อนๆได้เหมือนกันมันก็ค่อยๆเห็นไปเนี่ใจมันก็เบิด บ, บานเลยโอ้ยเมียมันเกิดแล้วก็ดับเลยเนี่ย เมื่อกี้เรายังวุ่นๆอยู่เลยเยตอนนี้มันสงบแล้วโอ้ไม่เครียดแหงแหงบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอย่างนี้เองเนี่ยมันก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาได้หรือไม่เป็นอย่างนี้แต่วันวุ่นๆ ม, มันดับไปมันเบิกบานขึ้นมามีาเรี่ยวปลาโมกธรรมะก็ปีติมันอิ่นใจมันอิ่มก็รู้สึกได้ยใจมันอิ่มยังไง เหมือร่างกายมันอิ่มข้าวอิ่มอาหารมันก็รู้ว่ามันอิ่มแต่อิ่มใจมันจะมีแบบหนึ่งเบิกบานแล้วก็อิ่มใจแสี ส, สติออกมาเป็นปฏิสที่คือความสงบสงบนี่มันก็จะโผโล่งแล้วก็เบามันก็สงบอยู่ภายในจิตใจกายก็สงบจิตก็สงบเนี่ยอาการก็งันไม่เครียดมันจะผ่อนคลาย มันมีความลงตัวอยู่ภายในเรียกวกปัสิทสีหรือความสงบแล้วก็มีความสุขเนี่ยคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าหาว่ามีความสุขมีนแสดงว่าทำสมาธิกเกิดขึ้นแล้วจิตก็เป็นสมาธินะมีเป็นสมถะกรรมฐานต่อไปจิตของเราเนี่ยสติสัมปชัญญะของเรามันก็ดีขึ้น ควบคุมจิตให้อยู่ภายในตัวเราได้เราให้มันอยู่กับอะไรมันก็อยู่จริงถ้าเราให้อยู่กับอะไรเนี่ยเรืยอวิตกแล้วมันจะควบคุมให้อยู่กับตรงนั้นเราแวดระวังมีวิจารณบางทีจิตมันก็ป่าลกขึ้นมาด้วยบางทีจิตก็ดูเฉยๆแต่มันก็มีอิ่มใจจริงๆแต่มันมีสุข แล้วก็มีจิตเป็นอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวเรีฐฐเยเอกคัตตาลงถ้าเป็นตามนี้เรียกว่าปัทโ t h ฌานนี้ก็ยังเป็นสมาธิฌานทิ้งปัทโ t h ฌานคือฌานที่้เแต่จิตของกายมีสัจจะไปทางไห น, นมันยังมีเนี่ยวิจกวิจารณมีพิจิตนี้สุขู่อันนี้เรียกว่า พอทอมชาทีนี้บางทีวิตกวิจารมันอยากไปมันจะดูลมดูอะไรลมมันก็เละเหนือยะลมหายไปหมดแล้วมันก็มาอยู่กับปีติอินใจแล้วก็สุขแล้วก็จิตเป็นเอกคตาวาอย่างนี้เรียกว่าทุกิจฉาอันนี้ชื่อวันเด็เฉยหรอ อันนี้พูดเพื่อที่เราจะได้ทําความเข้าใจว่าเออจิตของเราเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนลนะ่ะทีนี้ปีทีมันก็เริ่มหยาบละเพราะมีอาการร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องมันเข้าไปหาจิตที่เป็นสุดมีความสุขบางคนโอ้โหสุขมันจะมีความค่อยความแรงต่างกันนะบางคนนี่สุขแรงมากเลยนะจนนึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยถึงพระ น, นิพพานเลยนะหลงผิดไปก็มี ที่จรมันสุขเพราะว่ามันเป็นอำนาจของสมาธิเป็นองค์ชานมีความสุขแ ล, ล, ล, ล้ ว, ก, ก, นะวลลก็มีเอกะตาลมถ้าเห็นว่ามีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวตลอดจิตจะเป็นชาดได้่อมาทุขนี่ยันหยากอยู่เนี่ยจิดเป็นเบคาเลยแล้วก็มีจิดเป็นหนึ่งเดียวจึงมีเอกะตาล้วมหะสติบดีบริสุทธิ แต่ขั้นนี้มันไม่เห็นความเกิดดับไม่เห็นอ น, นิจังทุกขังอนัตตาท่านรู้ว่าเจตุจารย์ทีนี้ถ้าจิตเนี่ยมันดําเนินไปแต่มันเห็นว่าโอออันนี้เกิดขึ้นตั้งมีดับไปพร้อมๆกันนี่เรียกว่ามันไปไปพร้อมกันเลยสมาธาคู่กับวิปัสสนาไปได้บางคนก็ตามอารมณ์ไปอย่างเนี้ยเป็นสราธาก่อน ประเภทนี้เขาเรียกว่าสมถะนำจนกระทั่งจิตเนี่ยมันมีกําลังมันอิ่มตัวมันพอตัวพอมันเริ่มคลายออกมาเนี่ยจะเริ่มเห็นละถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของลูกของเวทนาของสัญญาชังขงญญามยินญามีประเภทนี้ก็คือสมถะนำวิปัสสนาบางคนเนี่ยพอเริ่มปฏิบัติเนี่ย ไปสนใจความเกิดดับความคิดก็เกิดดับลมก็เกิดดับเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเลยแล้วก็สงบลงไปอันนี้วิปัสสนานำสมาธิผนใจลักษณะอาการที่มันมีความเปลี่ยนแปลงแต่นี่บางคนเนี่ยเวลาปฏิบัติอ้ประักมากามก็ลมมากเลยนะ จิตนี้ต้องพยายามต้องส่อสู้ต้องอบรมใช้ปัญญาอบรมจิตพยายามให้สติคุมจิตอะไรต่ออะไรเนี่ยมีอุปสรรคมากแต่เวลามันไปถึงจุดที่มันลงตัวเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้มีท่านเรียกว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งคือมีอุปัรร์หรือบางทีหลงทางไป แต่พอคิดเนี่ยมันกลับเข้ามาหาทางได้ก็สามารถบรรลุธรรมได้อันนี้ก็มีเยอะมีปฏิบัติไปแล้วทั้งแบบที่หนึ่งแบบที่สองนี่แหละแต่ว่ามันเหมือนกับคิดเนี่ยมันคาหาทางหลงทางไปติดน่นติดนีนดน่มีอะไรกุ้มลุมสารพัดแต่สู้ไม่ห่อยพอคิดมันลงตัวเท่านั้นแหละ เข้าทางซอกมันลักความยินดีรายเนี่ยลักไม่มีตัวเราไม่มีของเราออกไปบรรลุธรรมไดเพราะฉนั้นถึงเราจะมีอุปสรรคอะไรก็ตามเราต้องมีความเพียรมีความพยายามมีความ อ, อดทนแตกวันหนึ่งมันต้องผ่านไปไม่ช้าก็เร็วเพราะมันเป็นทางดําเนินไปอันนี้ทงจเจ้าวระษาทรอยไว้มี ในครั้งคุณย่อก็ต้องนี้ไม่งั้นถ้าจะพูดไว้ได้ยังไงมีวิธีที่หนึ่งวิธีทสองแล้วมีวิธีที่สามด้วยแล้วก็มีวิธีที่สี่เลยคืออันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคือจิตพอมันเข้าสู่ความสงบผมมาฌานพุทธิฌานตัปปิฌานเตทยฌานเลยท่านที่นานอยู่ในนั้นเลยในขณะที่จิตเนี่ยเข้าสู่สมาธิเลย มันก็เห็นสิง่งต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งเกิดขึ้นดับไปสถานที่เกิดขึ้นดับไปสุขเกิดขึ้นดับไปอุเบกขาแล้วก็ยังมีปรากฏการณ์ต่างๆใค้ท่านรู้ว่ามันเกิดขึ้นดับไปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้สมถากับวิปัสสนาไปพร้อมกันเลยแต่อันนี้มีน้อ ย, อยสมาถานำวิปัสสนา ก็มีเยอะมีปรสานานำสมถนานีเะทั้งสองประเภทนี้ถ้าเกิดมันติดข้องขัดข้องแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่ถอยแล้วก็ผ่านไปได้ก็มีเยอะแต่ว่าวิธีที่พิจารณาในสมาธิในองค์ฌานเป็นความเือดดับในนั้นเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วก็บรรลุธรรม อันนี้มนะ้อยแต่ก็มีทีนี้แต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็เออว่าจิตสงบลงไปมันก็ชอบพักมันไม่ชอบทำงานแต่ถ้าเขามีเวทนาเกิดขึ้นโอ้โหมันเหมือนกับท้าทายมากเลยมันเหมือนกับว่าไหนว่าไม่ใช่ของเรา มันเหมือนกับท้าทายอันนี้ก็ได้ทีแรกมันก็ดูก่อนถ้าจิตยังไม่มีกำลงังมันจะดูกันก่อนเรีนธนาเกิดขึ้น่มันจะดูลงไปก่อนพอดูป๊อเนี่ยสติมันก็ค่อยๆ ม, มีกำลังขึ้นมามีสติมีสัมปชัญญะแวพวกภูมิจิตมาให้รักษาไปทางไหนจดจ่อไว้ นี่ก็เป็นสมาธินะความพยายามอยู่ในกิจอดทนเทียนสู้อยู่วิริยะถึงพร้อมด้วยสภาวะเลยเชื่อมัน่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่หลันไหวต่วม่ามันก็เห็นนี่เห็นว่าไม่ใช่ของเรากำลังมันพรี่จะถอยออกมาเลย มันจิ้มเหมือนกับว่าจิตนี้มันวางบางทีบางคนก็บอกว่าเออมันดูเวทนาอยู่ดีๆอ่ะมันกับมันถอยออกมาอยู่ตามลำพังเบาสบายนี่คือมันเห็นว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่คนอื่นแล้วจิตก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วจิตก็มันก็ละเหียลงไป เหมือนกับว่ามันเห็นความจริงแล้วจิตมันคลายความรุ่มหลวงจิต ค, คลายความยึดมั่นถือมันจิตก็เลยเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นบางทีดูกายดูผมดูขนเล็บฟันหนังอะไรก็เหมือนกันกําลังดูดูดูไปเนี่ยพอกําลังมันพอนมันก็จะวางเหมือนกันเหมือนอยู่ดีดีมันไม่ดูแล้ว มันมาดูตัวเองมาดูจิตเนี่ยมันวางมันวางอารมณ์ข้างนอกวางรูปวางเวทนาวางสัญญาวางสังขารแล้วจิตก็มาอยู่กับจิตมาดูอยู่ที่จิตทีใ น, ใ น, นี้ในจิตเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเขง้ามา ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอะไรนะแต่ยังมีสัญญาสังขารยิ่งยามอยู่ในจิตแัแหละางริแต่เราเนิบหรืวานะ ม, มีอาการเกิดขึ้นหรออยู่เฉยๆมีอะไรเกิดขึ้ น, ม, นมันมีผลต่อจิตพราะจิตเป็นตูวที่รับรูวว้อารมณ์มันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ในจิตจิตเห็น ทีนี้ผู้ที่เห็นเมืันการมีปัญญาเลยเพราะมันเห็นความเกิดดับเห็นแล้วมันเข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่เหนือความเกิดดับคือตัวปัญญาพอมีปัญญาอย่างเนี้ยเห็นว่ามันเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่เราอย่างเนี้ยปัญญามันรู้มันไปองรมสิอีกทีหนึ่งจิดจะคลายออกคลายออกเลยนะไม่หยุดคิดอะไรอีกต่อไปนะเพราะฉะนั้นถึงว่าปัญญาเนี่เป็นสติสูงสุด ถ้าปัญญามันสมบูรณ์เมื่อไหร่มันจะไม่ยึดอะไรเลยอ่ะอนุปัฏฐตราปัญญาคือสิ่งสูงสุดวิมุตติสาราถ้าเหาว่าปัญญามันสูงสุดแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันจะทําให้จิตหลุดพ้นคือจิตไม่ไปยึดมัดมมนถรือมันอะเวลาหลุดพ้นในจิตนั้นสุดก่้นแต่ปัญญาเนี่ยเป็นโตัวอบรมจิต ปัญญาเนี้เห็นว่ามันเกิดได้เห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเราแต่เห็นว่าไม่ใช่ของเราฝูงตุกก็คือไม่มีอะไรเป็นเราจริงๆไม่ว่ากายหรือว่าจิตแล้วจิตนี่จะหลุดพ้นไปเลยมันจะไม่ยึดมันม่นหรือมันอะไรต่อไปเขาเรียกวิมุติศาสนะมีวิมุติเป็นแก่นสานเพราะนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ย ยังมีปัญญาเป็นสิส่งชั่วจุดแล้วก็มีวิมุตติเป็นแก่นฐานเป็นสาระเพราะฉะนั้นถ้าใครมาถามว่าศาสนาของเราเนี่ยมีอะไรเป็นแก่นฐานต้องมีวิมุตติเป็นแก่นฐานเพราะฉะนั้นผู้เรียเข้าถึงแก่นฐานก็ต้องหาทางทําให้จิตของเัวเองเนี่ยหลุดพ้นถึงวิมุตติพอเข้าถึงวิมุตติแล้วทัเทียว่าอมตะคาถา คิดจะย่างเข้าไปสู่อมตะไม่เกิดไม่ดับนนเองมันอยู่เหนือความเกิดแก่เก็บตายความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ใช่เราอีกต่อไปเพราะร่างกายมัน็นยังไงตัวเรื่งร่างกายมันวางนั้น ท, ท่านจังว่ามันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ทิ้งที่ ม, มาปรุงแต่งกิตให้มีเยี่ยมว่าตายเกิดกต่อไปก็ไม่มีด้วยยิปพานะปอิโยสานาะ มีนิพพานเป็นประโยชน์สามหมายในสิ่งสุดท้ายจิตไม่รู้ถึงนิพพานนิพพานมีอยู่แล้วนิพพานจริงไม่มีเกิดไม่มีดับนิพพานมีอยู่แล้วรอเวลาที่จะทําให้เข้าถึงท่านถึงว่าบารรลุธรรมบรรลุพระิพพานไม่ได้สร้างมันขึ้นมาไม่มีใครทํามันขึ้นมามันอยู่ของมันอย่างนั้น แต่เราสร้างเหตุเพื่อที่จะเข้าไปถึงมันเข้าไปถึงปณิพานเพื่อลุกถึงปณิพานธ์บรรลุปณิพานเนี่ยพขาก็ได้เจ้ายิ้มสอนว่าให้เริ่มสร้างเหตุให้ถูกต้องส่วนผลของการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสภาวธรรมปฏิบัติไปอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทั่งจิตเนี่ยเข้าถึงปณิพานก็คือมันเกิดจากการที่เราสร้างเหตุถูกต้องแล้วจิตมัน บรรลุถึงเองไม่ให้เราสร้างขึ้นมาเพราะนั้นความอยากความต้องการเสียเวลาไม่ว่าปฏิบัติขั้นไหนต้องพยายามที่จะสอบสวนจิตของเราอยู่ด้วยไม่ให้มีความอยากความต้องการไม่ให้ฟรุงแต่งว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คือต้องมารู้ทันมันอยู่ตลอดคือจิตเรามันอดไม่ได้มรรคผลคงเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้มัองตัว ด, ดาบันอย่างนั้นอย่างนี้ ทย่านอย่างนี้นไม่เอาทางนั้นเลยให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเรื่อยไปสร้างเหตุเรื่อยไปผลมันก็จะเกิดขึ้นเองอันนี้มันเป็นศาสนาที่จะเกิดขึ้นกับใจเราเวลาปฏิบัติเนี่ยเราไม่สนใจชื่อมันก็ไดแต่ที่พูดชื่อให้ฟังก็เพราะว่าจะได้มาลองลองเทียบเทียงเทียบเทียมสภาวะที่มันเกิดขึ้น หรือมาดูศาสนาที่มันเกิดขึ้นกับใจเราจสาติเรามีมีนเรแล้มีศาสนาขึ้ น, ม, น, านามาแล้วสำปะชัญญะก็คือสติเนี่ยมันเริ่มขยายตัวแล้วมันรู้แทนที่มันรู้จุดเดียวมันก็เริ่มขยายตัวมาได้มันรู้กว้างขึ้นมันไม่รู้แคบแคเดียวมันรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติสัำปะชัญญะ แล้วว่าทาให้มีสมาธิมีความเพียรอยู่ในจิตความพยายามเห็นสิ่งต่งตางๆโดยตื้นตั้งอยู่ดับไป ผ, ผ่านมาผ่านไปนีท่าเรียวปัญญาที่ใช้จิงคือเห็นพระใจละถ้าตามมือเฉยกๆก็ไม่เรียวว่าปัญญาเรีย ว, วยังเป็นความสงบของใจปฏิบัติเพื่อความสงบขอ ง, ของจิตใจยังเป็นสมาธ เพราะนั้นศาสนาเนี่ยบางทีเราจึเรียกว่าสมาถะกับวิปัสสนาคือเรียกตามอาการของจิตแต่จิตเป็นสมาธิจิตสงบแต่อตอนนี้มันในช่วงที่มันพักเป็นสมถะแต่ถ้ามันเห็นว่าใจรักเห็นมันเปลี่ยนแปลงเห็นมันเกิดดับเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นวิปัสสนาบางทีก็เรียกสมถ มีสติกัมติดไว้แล้วก็มีปัญญาเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเห็นว่ามันเ ก, กิด่ยนดับเห็นมันเปลี่ยนแปลงนี่คือยออ่อเข้ามาเป็นสติกับปัญญาบางทีก็เรียกอริยมรรคแปดบางทีก็เรียกโพธิปัฏฐานสามสิบเจ็ดประการคือธรรมที่เป็นฝ่ายตัศรุสามสิบเจ็ดประการ มีสติประฐานสี่รมะประธานสีิทภิบาทสอินทรีห้าพลราห้าโคดจงเจ็และก็อริยมรรคยียงิบแปดอันเดียวกันที่เราปฏิบัติเนี่ยมันรวมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจเราจึงว่าศาสนาที่แท้จริงมันเข้ามาอยู่ใน ใ, นใจและที่มันก็จะเกิด อ, อะไรต่างๆขึ้นในจิตเราเนี่ย ผดีแนหนึ่งก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือจิตเราปกติมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตไว้เป็นปกติโดยทั้จทงจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิเห็นไม่ใช่เราไม่ใช่องเราเี้นมันเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาก็คืออันเดียวกันเนี่ยที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเพราะนั้นใครพูดชื่ออะไรขึ้นมาเนี่ย เราไม่ต้องไปสงสัยหรอกมันรวมเอาศาสนาของทุกอย่างมาไว้ในใจเอาแล้วถ้าพูดกับอริยสัจสี่่ะมันยังไงกันอริยสัจสทุกข์สมุทยัยนีโรภแล้วกบังคือยังไงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยมมีข้นมีวัฏฏาวทุธแล้วถ้าหาว่าเราไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเหตุแห่งทุกข์อยู่ตรงนี้คือความอยากของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอย่นเองมีเราขึ้นมาเนี้ยเพราะเราไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ยอมรับว่ามันเป็นแค่ขหน้ามันเป็นธรรมชาติมันเกิดแล้วก็ดับมันไม่ใช่ตัวเราจริงถาว่าเราเห็นมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเห็นว่าไม่ใช่ของเราอยู่อย่างเนี้ย มันก็ไม่หลงว่าเป็นราวสิของเราเรถ้านนี้ว่าทุกข์ให้กําหนดรู้เราก็ต้องรู้ลงไปมันเป็นสภาวะทุกข์จิตเราไม่รู้ความจริงตรงนี้มันก็เกิดความทุกข์ขึ้นในใจเราทุกข์ก็คือสภาวะทุกข์นั่นแหละขันห้ามเป็นตัวทุกข์ทุกอย่างไงถ้าเราไม่รู้เท่าทานมันว่ามันเป็นของเกิดอ่ะเราก็ต้องทุกข์ขึ้นมาเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาแล้ว ก็บีบพันเราทันทีเลยนะยิ้น้อยกว่าทุกน้อยนะตามลําดับเลยนะแต่ใครยิ้มมากๆทุกมากอะไรผ่านเข้ามาก็เป็นทุกผ่านเ้ามาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งนิ้นทั้งกายทั้งใจทุกท้งนะั้นแต่ถ้าเหาว่าใครเนี่ยแจ้งชักตามความเป็นจริงจิตปล่อยวางเลยมากขึ้นเท่าใดทุกกว่า น, น้อยลงไป ดาได้ที่มันยังไม่หมดตัวหมดตนนะมันมีการเปรียบเทียบอยู่นั้นนะแต่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็อน่าจะดีกว่านี้แค่นี้มันก็เสียแทงใจได้นะไอความรู้เพราะมันยังมีตัวตนแต่ถ้าไม่มีตัวตนแล้วหรอเออรู้ธรรมนะเหมือนกับว่าทุกขณะเราทําดีที่สุดแล้วมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วมันต้องเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละ แล้วมันก็สบายใจมันไม่มาทุกข์ท่เเพราะนั้นทุกเนี่ยก็คือสภาวะทุกข์ที่มันเกิดดับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำหนดรูล้ลงไปแล้วเห็นว่าไม่ใช่เราไม่เราเห็นมันเกิดดับกระดับเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ขงเราอย่างเนี้ยนี่แหละเห็นสภาวะทุกข์เห็นมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะรู้ว่าเทหางทุกข์คือใจเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ใจเรามีความหลงมีความยึดมั่นถือมั่นนี่แหละอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งที่สองทุกแล้วก็เห็ น, หนทุกถ้าวันทุกมันดับไปเราเห็นมันเนี่ยมันดับไปทุกไม่ก่อเกิดขึ้นในจิต ใ, ใ, ใจเราเป็นนิโรธอย่างเช่ตอนนี้จิตเราไม่มีทุกมันเป็นดูเีค้ามันเฉยอย คนมีโลดระดับหนึ่งมีโรดชั่วขณะท่านก็เปรียบเทียบไว้เหมือนกันนะบางทีจะ ว, ว่ามีโรดที่แท้จริงคือปานิพานเรียก ว, ว่าสมุทเขถ้านี้โลดมีโลดจริงมีโร ด, ดแท้บริบูรณ์สมบูรณ์แต่ทีนี้เออมันทุกมาแล้วมันดับไปมีโลดชั่วขณะแต่ทางข้านี้โลดอย่างน้อยก็เดินถูกทางนะ มามีอะไะที่เราปฏิบัตินี่เรียกว่าอริยมรรคแต่เป็นสมาธิอิปัตินาก็ใช่สติปัญญาก็ใช่สีนสมาธิปัญญาก็ใช่โหที่ปขิยธรรมสามสิเจ็ดประการก็ใช่มีจริงว่าจิตของเรานี่แหละที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นศาสนาขึ้นที่จิตใจทีนี้จะอธิบายเงี้ไหนอะพูดมาได้เลยธรรมะเนี่ยถ้ามันไม่อยู่ในหัวใจของเรา ของผู้ปฏิบัติมันเต็มไปเลยนะแต่ถ้าเรายังไม่ถึงเอออาจจะใช่ว่าถ้าพูดถึงนิพพานเนี่ยเรายังไม่ถึงเนี่ยมันก็นึกไม่ออกแต่ไ้ฆาตณีมันก็ฆาตณีไม่ได้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาเลยอะ่ะไม่เคยพบมาเลยอะ่ะไม่ว่าเราจะผ่านมาผี่พบกี่ชาติเกียสงขัยก็ตามนิพพานไม่เคยปรากฏขึ้นกับจิตของเรานโลกสวรรค์ เปรตสุรกายสัตเดรัจฉานมนุษย์เทวดาพมทั้งหมดเนี่ยทุกคนเคยถานมาหมดจดต้องเคยถานมาหมใครจะรื้ได้ก็ตามลเลยรื้อไม่ได้ก็ตามแต่ต้องเคยถามมาแน่นอนจิตสํานึกของเรามันจรินเชื่อม่าโอ้ในโลกก็ต้องมีผีมีบางทีก็ช้ำพลาดรับรู้มั น, มพ น, มนเพระเราเคยเติมมานะเทวดาหรสัตเดรัชฉาน เห็นจากบางตววุ้คุ้นเคยอย่างม้าอย่างเนี้ยหัวมันหูไถเกลือกีอ้ไอเราก็อพอใจอยากเน่นกับมนันนี่ลักษณะเห็นงเนี้ยมันมีความคุ้นเคยคนก็เหมือนกันเห็นหน้ากันมันคุ้นเคยเขาก็คุ้นเคยมันบอกไม่ถูกทักทายกันก็สบาย อ, อกสบายใจว่าเคยเป็นยากอะไรกัน เคยเป็นคู่กรณีกันมาก็อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นอย่างอื่นที่มันเคยผ่า น, นยกเว้นมรคนิพพานถ้าเคยผ่านนอนเด่นนิพพานเ อ, อขั้นนั้นเป็นยังนะขั้นนั้นเปนยนะังนแต่ยังไม่ถึงนิพพานอย่าไปฆ่าเสย์มรแต่ละมรฆ่าเสย์ไม่ได้เพราะเวลาเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นีแล้วก็อย่างที่เราฆ่าไม่ถึงเนี่ย บอกไม่ถูกเลยฟังใครก็ชัางของเราต้องเป็นของเราเท่านั้นไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นไม่ทำชั่วคนปฏิบ e. izes, ัต mm ิธรรมนี่มันไม่อยากทําชั่วนะเวลาจะทําชั่วอุกิจใจมันเศร้หองจิตใจมันไม่สบายคนเป็นอยู่ที่จิตเนี่ยพอทำความดีมันเบิกบานก็อยากทํายู่มเบิกบานมันสงบมันอิ่มใจสงบเป็นสมาธิ แต่คือควบคุมจิตไดง่ายผมก็เห็นทางทำระจิตได้ฟองแว่ทำระจิตได้ขาวหรมันเห็นอยู่ในจิตอันนี้ที่ทำหลอกหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้ามันก็เกิดขึ้นที่ใจเราที่อธิบายพูดอันนั้นอันนี้เนี่ยก็คืออยากจะที่ให้ดูศาสนามันอยู่ที่ใจเราแล้วมากบ้าง น, น้อยบ้าง มันกําลังของผลการปฏิบัติที่มันเกิดขึ้นในจิตใจบางทีเราพูดไม่ได้แต่มันรู้อยู่ในจิตเนี่ยแต่เวลาพูดออกมามันรับรู้ได้มั้ยใช่ใช่ใ ช, ใช่จริงจิตเรามีเป็นเนี่ยแต่เวลาออกจากสมาธิเอาไปพูดมันพูดไม่ได้เพราะนั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าพูดได้หรือพูดไม่ได้ มันเกี่ยวกับว่าสติเนี่ยรักษาจิตเราไว้เวลาจิตเราไปทําสิ่งไม่ถูกต้องมันจะรู้แล้วมันยับยัง้งเวลามีโลสสิ่อธิศี่จิตเราก็สงดตั้งมันม่นขึ้นมาเียวอธิจิตพอจิตอยู่กับตัวเราแนละ้วอะไรเกิดขึ้นเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความเกิดขึ้นตั้งมีดับไปเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอธิปัญญา สนสมาธิปัญญาอธิจิตบางทีเรียกว่าเป็นสมาธิเพราะว่าสมาธิเป็นประธานเป็นส่วนสำคัญที่สุดในจิตของคนเราถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตจะสับส่ายองประกอบต่างๆมันไม่เกิดขึ้นกับจิตสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่มีคุณภาพของจิตมันไม่มี แต่ถ้าเอาว่าจิตมันเป็นสมาธิปัก๊กสติตมันก็ดีใช่ไหมขันติธรรมก็อยู่ในนั้นเลยพอรักษาจิตไว้ได้เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอื่นเกิดขึ้นเออรู้เท่าทันจะทำอะไรเนี่ยกรละมัดระวังภายในจิตสำรวมอยู่ภายในจิตนะรู้จับเกียงอกเกงใจกันเนี่ยคนมีสติเนี่ ย, ม, ยมันจะเห็นนะเห็นจิตของตัวเองโอจิตเขาจิตเราเนี่ย เขาต้องการยังไงก็รู้ว่าเขาต้องการเหมือนเราตัวการแสดงออกภายนอกมันก็มีส่วนด้วยทำให้เราสามารถนะโอ้แยกแยะได้ของคนเนี้ยเป็นยังไงเยปฏิบัติธรรมเป็นยังไงควบคุมจิตได้ดีแค่ไหนมันจะไปด้วยกันภายนอกกับภายใน ภายในมันรู้ความจริงเห็นจิตเห็นใจตัวเองนะแล้วไปเกี่ยวข้องภายนอกมันก็มีความลงตัวมากพอเห็นจิตตัวเองแล้วเข้าใจจิตใจของคนอื่นถึงไม่รู้ว่าะระจิตก็ตามพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ฉลาดในวาริตของตัวเองบางคนก็บอกว่าปฏิัสมุบาเป็นหัวใจของคําสอนอสพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตระสเอาไว้ว่าถ้าหาว่าไม่รู้แจ้งในปฏิจสมุบา ก็จะไม่สดิยาตนตนว่าเป็นภาภูาติจักรเดี๋ยวของเรามีมัหยคำว่าปฏิสูิบาทคือยังไงหมายถึงว่าเออมันมีเหตุต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปอย่างเช่นตาไปเห็นรูปมันก็มีวตญญารเรีดกว่าภาษะภาษานี้มันจะมีเบทนามี ทานพูว่าภาษามีปัจจัยเวทนาภาษานี้ทำให้เกิดเวทนาทีนี้เวทนาเนี่ยมันมีความสบายไม่สบายหรือว่าเฉยๆถ้ามันสบายเนี่ยมันจะเกิดความพอใจชอบใจใมันจะเกิดความอยากเวทนานี่ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความอยากทาให้ชอบใจเนี่ยมันจะเป็นที่เพระาะปัญหา พอเกิดตัณหาเนี่ยเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจิตเราจะไปเกาะเกี่ยวล้วไปเกาะเรื่องนั้นปั๊บเรื่องนั้นก็เข้ามาอยู่ในจิตพระเรียกอุบาทานอันนี้แหละปฏิสมุปมันก็เป็นในจิตเราเหมือนกันอุปาทานทีนี้เรื่องนั้นมันก็มาฝังอยู่ในจิตเกี่ยวเป็นพกเป็นตอำขึ้นมาเป็นจุดขึ้นมาก่อน จากนั้นทุงแต่งไบวนไปเวียนมารุนแรงก็เรียนมีน้ำหนักเลยกิตเป็นชักเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกิดพบเยอะๆขึ้นมานะมีการเกิดมันต้องมีชลาโมล้วนะแล้วก็ระหว่างนั้นมีความเศร้าโศกโศกกะพิ เ, เทวะความลำพึงละมันร้บบนองให้ลำพึงละมั น, บบนมีทุกข์กายทุกข์ใจ ทุกขาาโทมนัสะความแห้งจใจใจอเดอดแห้งนี่นะนี่ก็เป็นปฏิปัมมุบาททุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันมันไม่ได้เกิดขึ้น ล, ลอยๆนะแค่ตัวเรารู้สึกไม่สบายใจขึ้มนมาปั๊บเนะี่ยมันต้องมีเหตุเข้าไปก็จะต้องรู้บางทีจิต ค, คิดมาเองก็ได้ไม่ใช่ตาเยห็นเพียงเดียว เราไ้ยินเสียงก็เหมือนกันใจคิดขึ้นมาก็เหมือนกันมีธรรมารมณ์เกิดขึ้นมันนึกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีมโนวิญญาณเข้าไปรับรู้ก็ก็เกิดความสบายไม่สบายชอบใจไม่ชอบใจเหมือนกันเก็ อ, อยากปรุงแต่งไปอยากให้เป็นอย่างไรอย่างนี้เหมือนกันมีอุปทานมีภพมีชาติวนเวียนอยู่ในจิตเหมือนกันมีน้ำหนักดุนแรง จากนั้นก็ะลาโมระนะเสื่อมสิ้นสลายไปแต่ระหว่างก่อนที่มันจะดับไปมันก็มีความทุกข์โศะความเศร้าโทษต่อนนี้เดวะร้องให้ลำพึงลำพันทุกขาโทมาราสทุกกายทุกใจอุปยากสะความแท่งใจพูดเพื่อให้เราเนี่ย มีกำลังใจว่าศาสนาของพระพุทธเจ้ามันอยู่ที่ใจเราจริงๆมันไม่อยู่ที่อื่นถ้าคนไม่ปฏิบัติเขาจะพูด้ชมาได้ขนาดไหนก็เป็นนกแก้วอคนคุณทองมันไม่ได้เป็นศาสนาขึ้ น, นที่ใจแต่ถ้าศึกษาแล้วเพื่อเอามาปฏิบัติน่ะมันจะตรงกับพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า ในสมัยครั้งพระพุทเจ้าเนี่ยเต้าไปเรียนรู้จากพระพุทธเจา้าแล้วก็ไปปฏิบัติกันพระเจ้าจึงจะสั่งเสริมถ้าใครเรียนรู้แล้วไม่ปฏิบัติพระุทธเจ้าไม่ยอมยกย่องสั่งเสริมท่าจะดับทุกข์มันต้องมาทั น, นี่ยจิตใจของเราแต่ปฏิสัมมุบาร์เนี่ยมันบอกให้รู้ว่าเนี่ยมันไปจัดใจในไหนไอ้ความทุกข์ ตายเห็นหรือใจนึกคิดอะไรขึ้นมาปับ๊บสติรู้ทันปั๊บเนี่ยมันดับไปอะ่ะมันก็เวขามันไม่สร้างเรื่องสร้งางเราไม่สร้างปัญหาให้เราแต่ถ้าไม่ทำตรงนี้ปับ๊บชอบใจไม่ชอบใจเกิดแล้วไม่ทำอีกจะเอาแล้วพี่อุปทานเกิดจแล้วไม่ทันอีกวนเวียนแล้วที่คุณแต่งเรว่เรื่องเรามากมายแล้ว นี่้าเกิดด้เนี่ยจิตเนี่ยมันจะสร้างคบคุูมขึ้นมานะอยากรุนแรงขึ้นมาก็เป็นเปดตแล้วลงไปทำกรรมรุนแรงอีกหนักหนาเข้าไปอีกตันกดนรกได้เลยองแต่งไปไม่รู้เท่าทันเลยอ่ะตั์เดรัจฉานถ้าจิตปกติละเว้นทุจริตทางกายนะ ละเว้นความทุจริตทางวาจาได้ละเว้นมโนทุจริตได้มีเป็นมนุษย์ใจมันละคลายความยึดติในสิ่งของต่างๆรู้จะทำ บ, บุญพุธีการมากขึ้นเป็นเทวดาเป็นเรื่องของจิตเท้งนั้นแหละถ้าจิเป็นสมาธิอยู่ในองค์ฌาน เวลาตายไปเนี่ยมันตายในขณะที่จิตเป็นสมาธิไปเป็นพรหมแต่ถ้าจิตมันเห็นความตัวดับจิตเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามากขึ้นมันปะหารกิเลสได้ตัดสินลงไปนี่ระโซดาบันบุคคลปรหารกิเลสครั้งที่สองพัศกิธาคามีบุคคลครั้งที่สามพานาคามีบุคคลครั้งสุดท้ายประหารกับบุคคล ไม่มีการเยียว่าตายโตือนี่เพราะไม่มีอะไรตรงแต่งจิตท่านไดอีกต่อไปถึงปฏิพานสุดท้ายเลยปฏิพานพันีุกว่าชาติสิ้นแล้วเพราะไม่มีอะไรไปเกิดเป็นชาติขึ้นในกิตได้ยีนาจาริชาติสิ้นแล้วพรหมาจารย์ู่จบแล้ว กิจอื่นที่ควรทำเพื่อให้หมดทุกอย่างนี้ไม่มีแล้วเบี่ยบารุปันิพานไม่มีทุกอย่ยต่อไปในตรงใจเรื่องการเรียนไหวใยเกิดมีเป็นเรื่องของการปฏิบัติท้งนะั้นจึงจะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หมายถึงเรียนมาก เวลาปฏิบัติเนี่ยนะมันถึงได้ต่อสู้เหมือนกันเอาเวทนาตื่นขึ้นทำยังไงปติเราี่แรกก็ดูก่อนดูแล้วจิตของเราก็รู้ว่าไม่ใช่เร า, ไ ม, เราไม่ใช่ของเราจิตมันจะคลายออกคลาเราก็วางได้เเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่แน่ไม่ใช่ของเราเนี่ย่ปัญญาก็เกิดด้วยจีตก็มาดูจิต เวท น, นาม า, นน า, น า, า, านมันก็ดูเวทนาเวทนาคายไปกายเด่นขึ้นมันก็ดูกายจิตเด่นขึ้นมันก็ดูจิตสตภาวะธรรมเกิดขึ้นมันมีความเปลี่ยนแปลงมันก็ไปดูธรรมอันนี้วัดสติปัฏฐานสี่แล้วจะเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราขึ้นมามากขึ้นเดยเนี่ยมีเป็นวิปัสสนาญาเป็นปัญญ า, ญา พระพุทธเจ้าเวลาท่านสอนจะมีสอนตา ม, มบัญญัติต้องมีสีเป็นข้อข้อเป็นเบื้องต้นระมัดระวังการเกี่ยวข้องกับสีต่างๆในคุ้มครองทวาวรในอินทรีย์็นอินทรีย์จังหวะใดจำนวนตาหจะบุกลิมฝีปากแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภค ในการใช้สอยใช้สอยด้วยสติด้วยปัญญาก็คือให้มันรัดกุมให้มันมีสติเกิดขึ้นกับจิตเราเนี่ยมันทำอะไรมันจริงรอกขอบไม่หลับหัวพยายามรับกุมขึ้นเลยเนี่ย ต, ตั้งใจปติบัติคำรวงระวังเนี่ย ศัิ์สทธิ์พะโตขอนมแดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระรโตซึ่งเป็นผู้ใกลชากิเลสสมมาสมพุทธักดิ์สักรัสรู้ชอกาด้ยพระองค์เอง